เพ่งไปเพ่งมาท่านก็ยิ้มออกมานิดๆบอกเธอบวชกี่พรรษาบอกได้สาบรรดาักดิ์ครับสามบรรษาเรียน ร, รมตรีหรือเปล่าเรียนครับสอบได้แล้วได้ทำโทรแล้วด้วยดีแล้วดีแล้วสาธุเจอจสติปัะสานสี่บ้างไหมบอกเจอครับสอบได้เลยเฉดิบ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 ไม่บอกเราแน่เพราะมันมันยืดไม่ได้ตอนก็เบี่ยงบาท่านเงียบซะเลยเงียบแล้วก็จะเให้ท่านพูดอีกใช้เวลานานมากในเมื่อท่านพูดออกมาก็บอกว่าหลวงพ่อครับผมก็ปฏิบัติมาเยอะหลายอ ย, าอย่างแล้วมโนยิธิธรรมกายก็ว่าไปแล้วก็เพ่งักสินเรียนเศษใบไม้เป็นตัวต่อเศษใบมะขามเป็นตัวต่อเศษนอนเศษดิ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 สติชมาชัญญาสรุปเหลือหนึ่งความสำเร็จคือความไม่ประมาทนี่อันนี้เราได้จ้าหลวงพ่อในปาแล้วก็บอกว่านี่เธอเธอไปเจอพบพระอาจารย์แล้วเธอ่ายปัญหาได้อายุเธอจะครบสี่สิบห้าแล้วเธอจะมาพบเราที่จังหวัดน่านต่อไปอันนี้เราบันทึกไว้แล้วหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็ไม่บอกชื่อสัที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 จากหลังจากท่านมาถ้าไหยอมให้ค้า ง, างก็มานั่งมานอนจำวัดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นอีกหนึ่งคืนเล่ากันมาร่วมทีสี่เลยคุยกันสะบัดเลยหลายเรื่องหลายราวพวกดาบานนั่นสนใจแคจ่หวยอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องหนัที่เราไปหาหรอกเลยเราก็ได้คติเตือนใจมาเราจะไปะแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปเพราะอะไรก็ไม่ได้แล้ว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 จะไปดูตอนสายไม่มีแล้วน้ำเหลืองไปทะเลหมดก็ดูเหนือเขืออเ่อนอะไรเขื่อนอะไรเขื่อนอุบลัดนั่นแหละตรงนั้นเหลือใจตรงน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยรวบรับแต่ชความอาตมาก็สแสวงหาไปนที่สดก็ไปเรียนหนังสือวัตรขาหลวงพ่อวัดละคางเจ้าวาดหลวงปูน่นาตอนนั้นเป็นราชโมลี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 แล้วนาข้าวหลวงพ่อปางน้ำพูดก็จะมาเองมีพยานหลักฐานนี่เธอแม้เรานี่มาเป็นคดี่าเขาหลายปีกว่าจะรู้นะโอ้โหเป็นคดีฆานานจังแล้วเราก็บอกว่าพป็เหบุกุณหลวงพ่อครับหลวงพ่อกาหนดยังไงครับธรรมกายหลวงพ่อเออนี่เธอกาหนดพ่อเดียวเหลือกินเลยเห็นหนอเห็นหนอธรรมกายหายวับ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 ไปต่อช้างป่ามาตัวหนึ่งก็เลี้ยงไว้จนโอโตเรียกลูกไอ้ช้างมันก็รู้อย่างคนมันก็เข้าใจว่าพ่อทองดีเป็นพ่อของเขาเอาหิ้วของไปถวายพระได้ถวะถวธรรมจัรช้างก็นางมันคุกข่าวฟังในเวลาการต่อมาทองพ่อพานทองดีตายตายแล้วเหลือแต่ลูกเขาไม่นิยมชา้างไอ้พวกเมืองเพชรบูรณ์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 เรียนรู้เลขคแทสเทตูบายกงมันเนี่ยตมาก็ได้ตำราจากหลวงพ่อในป่านี้อย่างหนึง่งขอเล่าสู่คนฟังในที่ประชุมเดินทางไปเลาะล ะ, ละภาคเหนือเลยไปถึงบ้านอั ญ, ญตครุปตลอดการหลายสายหลายทางเดินไปเป็นชัเวลานานได้ตำราเทคนิคในป่าก่านอบอกว่าเธอต้องต้องแยกกับเราแต่หากว่าบินทบาตไม่ได้มีข้าว ไม่มีใครใส่บาตรต้องไปกิจังวัดต้องบินทำาใหญ่ข่าวทํำยังไงท่านบอกให้เอาน้ําล้างบาตรอธิษฐานปาฏิจักรคาโยนิโชวินงตปาตัางปฏิเสวะมีว่าสามครั้งแล้วก็ดื่มให้หมดดื่มให้เอิม่มดื่มอิ่มแล้วก็ทรงจีวรต่อไปคลองผ้าให้ยหร่อยถือกรดเดินทางต่อไปแล้วก็ทําอย่างนี้เอง